สำหรับมหาปฏิปทานนสูตรที่จะแนะนำต่อไปนี้ก็มีชื่อว่าพชอชงเจ็ดแต่ว่าเป็นพวชชงเขามหาปฏิปทานนสูตรนี่ผมก็จะข อ, อนำมาพระบาลีมากล่าวไว้แต่เพียงพอเป็นนิทัศนะ แล้วก็ถ้าบางตอนใดๆตีนว่าคำที่บายซ้ำๆกันมากผมก็ยังอดไว้จะเอาแต่เนื้อแท้ของพวกของพ่อชงเจิตมาแนะนำบรรดาท่านหลายสำหรับคมบาลีเรื่องในพ่อชงเจิตมีว่าอย่างนี้สำหรับพ่อชงนี้เป็นพ่อชงในมาหาคติประฐานสูตร ความมีอยู่ ว, ว่าปุณณะจักรังพิฆเวพิฆูธรรมเณสุธรมานุปัสีวิหารติเป็นตน้นผมจะว่าเพยียงเท่านี้ภาษาบาลีก็ขอนำเอาเนื้อความซึ่งเป็นภาษาไทยมอกล่าวต่อไปว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีก พิย่อมพิจรารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพุทธชงพชทธชงนี้ความจริงท่านแปลว่าองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตัดสู้มีอยู่เจ็ดอย่างเมื่อดูก่อนพิสุทั้งหลายย่อมก็อย่างไรพิสุย่อมพิจรารณาเห็นธรรมในธรรมคือพุทชงเจ็ด ว่าดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายพิสุทธิ์ในธรรมวินัยนี้อันหนึ่งเมื่อสติสัมโพชฌงค์คือองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตัดสรูคือสติมีอยู่นภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงค์มีอยู่พระณ์ภายในจิตของเราหรือว่าเมื่อสติสัมโพชฌงค์ไม่มีนภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงค์ไม่มีในจิตของเราอนหนึ่งความที่สติสัมโพชฌงค์อันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยบริการใดย่อมรู้ชัดด้วยบริการนั้นด้วยอนหนึ่งความเจริญขึ้นความบริบูรณ์ของสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเกิดขึ้นด้วยบริการใดย่อมรู้ชัดด้วยบริการนั้นด้วย นี่สําหรับบาลีต้นผมจะกล่าวไว้แต่ เ, เพียงเท่านี้ตอนนี้ก็รู้ว่าถ้าจะกล่าวไปยืดยาวก็วมีเจคข้อก็มีด้วยความซ้ามํากันต่อไปในตอนท้ายท่านว่าอะไรบ้างเป็นว่าพิสุย่อมพิจารณาเห็นธรรมเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมเป็นภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งเป็นภายในและภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบางย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปภายในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเหธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติว่าธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่คือ เพียงแต่สักว่าเป็นที่รู้เพียงแต่สักว่าเป็นที่อาศัยเพียงแต่สักว่าเป็นที่ระลึกเธอย่อมไม่ไม่เธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไในโลกด้วยดูก่อนวิสุธทธ์ทั้งหลายวิสุทธ์ย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมคือโพชฌงเจ็ดอย่างนี้ นี่เป็นอันว่าผมขอนำพระบาลีที่องค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสซึ่งมีเนื้อความเจ็ดข้อเหมือนกันมีข้อความคงอธิบายเหมือนกันแต่ เ, เรื่องคสติมาพูดแต่เพียงอย่างเดียวนี่สำหรับโพอดชงตอนนี้เป็นเรื่องการที่เราจะพึงปฏิบัติให้เข้าถึง การปฏิบัติเข้าถึงจริงๆนี่เขาไม่ได้ใช้การแกะตัวหนังสือเป็นสำคัญการแกะตัวหนังสือเป็นปกตินั่นเขาเรียกว่า ส, สัญญารู้ว่าตอนตั้งแต่ธรร ม, มานุธรร ม, มาธรรมะสฏิปัฐานเลยนิวรณมาแล้วตอนนี้เป็นวิปัสสนาญาณทั้งหมด ตอนนี้เป็นตอนที่ใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้แต่ความจำอย่างเดียวคือจำได้ด้วยแล้วก็คิดตามด้วยพิจารณาไปด้วยทรงอารมณ์ด้วยมีทั้งมีทั้งสัพะทวิปัสนาล้วนหมายความว่าสัพพทะคืออารมณ์ที่ทรงอยู่เมื่อแท้จริงๆเป็นธรรมดา สำหรับพ่อชงองค์เป็นเครื่องสัตย์สรู้มีเจ็ดอย่างที่กล่าวว่าหนึ่งสติความระลึกได้ <c oughs> ตอนนี้สติเรานึกอะไรต้องหันไปดูตัวนึกที่พระพุทธเจ้าบอกให้เรานึกบอกให้เราคิดเนี่ยเรานึกเราคิดอะไรกันแน่ ก็ต้องถอยหลังนึกคิดลงไปว่าตั้งแต่นโน่นจับอนาปานุสติกมาถ่ายเข้ามาว่ากายานุปัสนามาหาปฏิปทานมีอะไรบ้างหนึ่งอนาปา น, นุสติกกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าหายใจออกเพื่อเป็นการฝึกอารมณ์ของเราให้ทรงตัวนี่อย่าทิ้งไม่ได้สองสามวิชญญะตัวกัน สมัมผัสัญญาตัวรู้ตัวว่าเวลานี้เราทาอะไรอยู่เพื่อหรือว่าเราทาแล้วเราคิดแล้วเราพูดแล้ว <c oughs> สามสื่อารทการเคลาื่อนไหวื่อางกายเวลานี้เารารดินไป า, นา้ารนื่าหรือว่าเดินไปข้ารสื่อสารอารํอา่อะไรื่อยู่แลารสื่อสาสืส่อสาสื่อสารสือสสื่อสา่าสส ในปฎิกูระบับอาการสามิสองเต็มไม่ได้ความสุกบกในธาตุบัปคือธาตุสี่เต็มไม่ได้ความสุขปก บ, บขปกในนาวสีเต็มไม่ได้สร้างศพคือร่างกายของเราเหมือนกับสร้างศพมีแต่ความสุขปบกเป็นของไม่น่ารักร่างกายของเราร่างกายเขาคนอืน่น แล้วก็มาด้านเวทนาในสุขเวทนาก็ดีในทุกขเวทนาก็ดีในไม่สุขไม่ทุกขเวทนาก็ดีเพื่อว่าเวทนาทั้งหมดในเมื่อเรามีร่างกายเวทนาประเภทนี้มันก็ครอบงําจิตใจเราแล้วก <c oughs> ็มาในด้านจิตานุปัสสนาว่าจิตมีราคะหรือว่าจิตไม่มีราคะ จิตมีโทสะหรือว่าจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะหรือว่าจิตไม่มีโมหะอันนี้ต้องทวนต้นกันอยู่เสมอจึงว่าตั้งเรื่อยเข้ามากว่าจะถึงโพธิ์ชงย้อนกลับถอยหลังเข้าไปว่าสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้องค์สมเด็จปัญญสีสอนเราเพื่ออะไร สอนให้เราทราบสอนให้เราเข้าใจว่าการมีเบญญขันแบบนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ในตอนท้ายท่านยิ่กล่าวว่าเราไม่ควรยึดถือร่างกายของเราร่างกายของบุคคลอื่นและวัตถุทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกปล่อยอารมณ์เสียด้วยตัดสกายยะทิฏฐิอารมณ์ก็ถึงพระนิพพานคือความเป็นอรหรันต์ นสติตัวนี้ต้องนึกย้อนถอยลงไปเสมอว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นความจริงตามนั้นนี่เราต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาด้วยไม่ใช่ว่าเอาสติเข้าไปนึกนึกแล้วก็นึกเฉยๆตามแบบฉบับที่เขาเขียนมานใช้ไม่ได้กําลังใจต้องเห็นไปด้วยสติที่จะส่งเข้ามาได้หรือไม่ได้ก็ใจเป็นตัวนึก เมื่อนึกขึ้นมาได้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปตามนั้นนี่เป็นอันว่าสติในนึกไว้ตั้งแต่อนาปานุสติกรมฐานก็ามาจนกระทั่งถึงโพชฌงค์เจ็ดให้ท่านหลายพยายามคลายควรพิจารณาทบทวนอยู่เสมอเป็นปกติแล้จิตของท่านจะคลายจากำเนาจของกิเลสทีละน้อยดังน้อยตามความตั้งใจ หรือ ว, ว่าตามความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกอะไรไม่นึกก็ช่างเถอะนึกไว้เสมอว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเต็มไปได้วยความสุขกรกสม ม, มุตร่างกายเต็มไปได้วยปัจจัยของความทุกข์ อารมณ์คือเวทนาที่เข้ามาสวยกับใจก็เป็นเครื่องทำใจให้ไม่สบายอยู่ตลอดเวลาเราไม่มีความปรารถนาที่มีร่างกายต่อไปสาหรับเรา <c oughs> นี่สาหรับเรสติคิดอย่างนี้พยายามคิดไปด้วยแล้วก็ใช้ปัญญาด้วยคือว่าไม่ใช่จำอย่างเดียวจำอย่างเดียวใช้ไม่ได้ นีอมาพูดชงข้อดีสองธรร ม, มวิจยะคือความสอดส่องธรรมตัวนี้เป็นตัวบอกถึงปัญญาโดยชัดว่าใครควรสอดส่องธรร ม, มาตั้งแต่ต้นจงกระทั่งมาถึงโพูดชงตัวนี้เมื่อเวลานี้จิตใจของเราเนี่ยพอใจมีความเข้าใจในธรรมนั้นไหม เห็นด้วยกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่านับตั้งแต่อารมณ์ต้นคือตั้งแต่นาปานุสติกรรมฐานเข้ามาจึงข้องทั่งกว่าจะถึงโพษชงเจ็ดตอนนี้กำลังใจของเราสิ้งในธรรมนั้นหรือเปล่าเรามีอารมณ์ละอะไรได้บ้าง ของหยาบที่เราจะพึงละได้คือร่างกายมันเต็มไปด้วยความสุกรกใจปัญญาของเรามองเห็นหรือเปล่าแรืว่ายังมีความมัวเมาอยวู่ท <c oughs> ี่องสมเด็จพระบรมครูให้สอดส่องหาความจริงพยายามสอดส่องกันโดยย่อๆจริงๆก็หมายความว่ารมที่เป็นกุศลก็ดี ร, รมที่เป็นอกุศลกด็ดีคือรมคิดที่มาในใจ มันมีในใจของเราอยู่เป็นปกติในส่วนใดเป็นส่วนมากคือความรู้สึกที่เป็นอกุศลมากหรือว่าความรู้สึกที่เป็นกุศลมาก <c oughs> นี่เป็นของผิวเผินถ้าเยนึกลัไปทีว่ากําลังใจเขาเราทรงตัวมั่นเป็นสมาธิเกาะอยู่กับลมที่เป็นกุศลตลอดเวลาหรือเปล่าที่เรียกกันว่ากําลังข้อชันโลกี อันนี้มีในใจของเราเป็นปกติไหมไม่ว่าจะสูงขึ้นไปว่าเวลานี้จิตใจของเราสามารถจะตัดขั้นห้าได้หรืออย่างเรายังมีห่วงร่างกายของเราหรือหรือว่าเรายังห่วงร่างกายของคนอื่นหรือว่ายังห่วงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเรือบางอย่างถ้าขึ้นชื่อว่าความห่วงใยใดๆยังมีอยู่ยังถือว่าใช้ไม่ได้ <c oughs> เรายัางไม่เชื่อองค์งส ม, ดยายามเด็จพระจอมไตรเดอร์นาทปัญญาจริงตอเมื่อไราเราพิจารณาว่าขันห้าเป็นสภาวะเต็มไปด้วยความสกปรกไม่น่ารักขันห้าเป็นสภาวะเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีการทรงตัวคันหา้าต้องสลายตัวไปในสุดในที่สุสดมันไม่ใช่เราไว้ใช่ของเรา สภาวะนั้นนี้เมื่อใดเราเกิดขึ้นม า, มาอะไรมีขันห้าะไรเราต้องพบกับความทุกข์เมื่อนั้นแต่ว่าเวลานี้จิตใจเขาเระวางขันห้าเส้นได้แล้วอยากจะตายเขาเชิญเราะว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของสาหรับของเราที่จะมีขันห้าต่อไปกาลังใจเขาเรามีความมั่นคงอย่างนี้บ้างหรือเปล่า โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งสังโยกสามต้นส ก, กายาทิติมีความรู้สึกว่าเราจะตายมีจิตกิจาไม่สงสัยในคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาทัมติเจ้ามีสีบริสุทธิ์แล้วก็ศีรัตตบรมาตมีสีบริสุทธิ์รักพระนิพพานเหมือนอารมณ์เป็นองค์ก็ไม่โสดาบันสามารถสรงได้เลยอย่าง ไห้ยางก็เร่งรัดจัดทำขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นก็พยายามสังโยกอันดับที่สองก็คือว่าการมาฉันทะลรตัดฉันได้ด้วยกำลังของอสุภกรรมฐานหรือว่าปริกูระบัตทาตุบับนาวสีเราสามารถตัดได้แลว้วหรือยัง ด้วยพยาบาทสามารถจะตัดได้ด้วยอานาจของปัญญาคือใช้พระมีหันสี่เข้าฝัดขวางแล้วตัดได้ด้อย่างนี่เป็นองค์ของพระอนาคามีสาหรับพระหันจะไม่ต้องว่ามากพระหันง้อกล่าวมาแล้วก็คือตัดขั้นห้าเสียทั้งหมดคั้นห้าของเราคั้นห้าของเขาททรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราหมด ไม่มีการยึดถือกันห้าร่างกายของเราข้างกายของคนอื่นทรัพย์สินต่างๆในโลกลอยหมดถือว่าสภาวะมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นมันจะอยู่ก็อยู่มันจะตายก็ตายช่างมันความห่วงใยใดนั้นไม่มีสำหรับเราความพอใจในขันห้าไม่มีสำหรับเราต่อไปนี่เป็นธรรมวิทยะทมได้ลหลวยอย่าง ใช้อจิตใจไข้ควรใช้ปัญญาไข้ควรไว้เสมอเสมอข้อดีสามวิทยาความเพียร น, นี้อารมณ์เป็นเครื่องต่อสู้การที่เราจะหักข้ามอารมณ์ใจไม่คบกับกิเลสเป็นของยากเพราะอารมณ์จิตมันมีอยู่เสมอรักคร่อยู่กับกิเลสมานาน ในเวลาที่เราจะจากกันทั้งๆ ท, ท, ที่กําลังรักก็ต้องใช้ความเพียรเข้ามาหาข้ามอารมณ์จิตเพื <c oughs> ่อเพียรละความชั่วเพียรประพฤติความดีเป็นอันดับแรกเป็นองค์ของรบสุนดาบันไม่เพียรละขันห้าว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่คนเรา เพียรละกันห้าของเราด้วยเพียรละคันห้าของบุนคคลอื่นด้วยเพียรละอะไรทุกเสียงทุกอย่างในโลกเสียด้วยเป็นองค์ขออาาา้ออรหันนี่เราต้องใช้ความเพียรอยูๆ่ๆใช้เฉยแค่ไม่เกิดขึ้นนะํามันไม่ได้นี่คนที่จะบรรลุมรรคผลได้ต้องทําแบบนี้ข้อที่สี่องค์สมเด็จพ ร, ระเยสีกตัดว่าปีติคือความอิ่มใจ ขณะใดที่เราใช้ความเพียงขับราดประหายความชั่วขณะนั้นความชั่วถอยหลังไปจากจิตอารมณ์ที่จะคิดสร้างความชั่วคือทำลายศีลฝ่าฝืนคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพทุทธเจ้าด้วยนด้ความสงสัยอารมณ์ที่คิดว่าเราจะไม่ตาย ถ้าลมที่ทำลายศีลไม่มีสำหรับเราเวลานี้ทำเบื้องต้นของเรามีพร้อมแล้ว ค, คือคือมีความรู้สึกเสมอว่าความตายเป็นของปกติธรรมด า, นาคนเราสายเกิดมาในโลกมันต้องตายเราไม่หวั่นไหวต่อความตายถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ไม่หวั่นไหวอะไรเพราะเรามีทุนพอในเบื้องต้น ก็คือมีความเคารพในคุณพระรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังครัตนะไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศีลบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่ความดีเบื้องต้นเกิดจะเราแล้ ว, ลวความเบื่อปีติเกิดขึ้นว่าบายภูมิเราคนแล้ว เพราะว่าสภาวะอย่างนี้เป็นสภาวะของพระโสดาบันถ้าดีขึ้นไปนั้นถ้าความปลื้มแต่นี้มันมีความปกติเกิดขึ้นเป็นปกติเราก็จับเอาส ก, กายทิปิขอโทษจะว่าไปถึงกรรมฐ า, านสี่สิบจะเรื่อยเพราะมันชิน เอาปฏิกูรสัญญาธาตุสี่นวสีเกาเข้าขมาหักล้างความรู้สึกว่าความสวยสดงามของบุคคลละสัตว์แล้วทำลายความรู้สึกพอใจในระหว่างเพศเห็นว่าสภาวะของร่างกายมันมีสภาพมันก็ซากศพมีความเบื่อนหน่ายมีความนังเกียจในร่างกายของเราและร่างกายของบุคคลอื่น มีพเมียนสี่หักร่างความโกรธความย่ำบาดจิตให้อภัยต่อคนที่ทําความผิดอยดเสมอจัดแปลัยาทานอันนี้ทรงตัวขึ้นมาได้จิตใจก็มีความเอื้อิ่มใจมีความเพิ่มใจเป็นตัวปีติในพชอช่องในที่สุดปีติก็ไปจบลงตอนที่ละคันห้าละกายของเราละกายขเขาบุคุณอื่นและะวัตถุทุกสิ่งทุกอย่าง ท่ทานนี้ก็ต้องอาศัยสติธรรมวิทยะวิทยะเป็นเพื่อนประคับประคองช่วยกันจัดทมปีติที่จะเกิดขึ้นมาได้มีข้อที่ห้าองค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงตรัสว่าปัสสธิความสงบใจและก็สงบอารมณ์ก็เป็นความจริงแล้วถ้าเราทำได้มาตามลำดับเมื่อเรามีจิต รู้สึกว่าความตายมีแน่สำหรับเราเราไม่หวั่นไหวในความตายมันก็เป็นความสงบเราไม่สงสัยในคาสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเชื่อกฎขงกรร ม, มอารมณ์มันก็สงบเรามีศีลบริสุทธิ์มีพนิพพานเป็นอารมณ์อารมณ์มันก็สงบจิตใจก็สงบ อารมณ์มันก็สงบไม่มีความวุ่นวายแต่ก็ยังมีอยู่ยังมีรักมีโลภมีโกรธมีหลงเล็กน้อยก็ตัดมันเส้นด้วยสกาญาติติแล้วก็อสุปกรรมฐานนึ้วก็ตัดเส้นด้วยภูมิหานสีอารมณ์ก็สงบมากขึ้นก็ยังมีอารมณ์สร้างอยู่ตอนนี้ก็เชื่ององสมเด็จพระร่มคูตัดเซ่หมดเลยก็ตัดราวไกลราวระกายขาบุคคลอื่น ไม่ยินดีในกายของเราไม่ยินดีในกายของวคนอื่นไม่ยินดีในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกตามแนวมห า, า, าพรเถรประธานนั้ตรตอนนี้จิตสงบจริงๆรู้สึกว่าทุกสิง่งทุกอย่างที่มันเกิดในโลกเป็นของธรรมดาทั้งหมดถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้อารมณ์ก็สงบตามที่องค์สมเด็จพระบรขขมศรีโคตตรัสว่าเป็นปัจสัตติ ความจริงพูดไปพูดมาก็ยันของเดิมและก็ของเก่ามาข้อที่หกรงว่าสมาธิคือความตั้งใจมัน่นเพื่อการทรงกำลังใจว่าเราจะทำลายสังโยคทั้งสิบราการให้พินาศไปจะไม่ยอมให้กำลังใจข้อเราเป็นท่าของกิเลตันหาุปาทานและกุศลกรรม ตั้งใจแล้วก็คลำดูว่าสังโยคตัวที่หนึ่งได้แก่อะไรคือสกายยติสกายยติตัวหลงว่าร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราจะไม่มีในกําลังใจของเราเราจะมีความมั่นใจไว้เสมอตั้งไว้เสมอว่าอารมณ์อย่างนี้จะไม่มีในความรู้สึก จิตใจของเราจะยอมรับนักถือตามความเป็นจริงสิ่งใดที่มันเปิดมีความเกิดในเบื้องต้นมีความเสื่อมไปในตรงกลาง ม, มีการสลายตัวไปในที่สุดเราจะทรงอารมณ์นี้ไว้ไม่ยอมให้คลายตัวอันนี้เรียกว่าสมาธิ แล้วก็เราคิดไว้เสมอว่าทรงกําลังใจว่าเราจะไม่ติดร่างกายของเราไม่ห่วงใยร่างกายบุคคนอื่นไม่ติดในทรัพย์สินในดๆทั้งหมดในโลกทรงอารมณ์ความรู้สึกอย่างนี้ให้มันอยู่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าสมาธิทั้งสูงคือตัวบรร ล, ลุโคชงก็ต้องว่ากันอย่างนี้แหละกอดีเจ็ดอุบเมขาความวางเฉย อย่างนี้เขาเรียกสังขารุปเปกขายานไม่ใช่ว่ามันนั่งวางเฉยเ้าด่าก็าไม่เป็นไรโกรธเหมือนกันแต่ที่เกียดด่าตอบเขาว่าก็ไม่เป็นไรโกรธเหมือนกันแต่ที่เกียดว่าตอบแต่จิตใจยังมุงง า, างมั่นยังถือว่าถ้าโอกาสมีเมื่อไรเราจะตอบแทนเมื่อ น, นั้นอย่างนี้เขาเรียกขันติอดไม่ขันติอดัดไม่ใช่ขันติอดยังไม่ใช่ว่เบกขา มือเมตขายจริงๆก็เฉยมันทุกอย่างเอาแตอารมณ์ใดที่มันมีความสุขเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ของโลกก็วางเฉยถือว่านี่มันไม่ใช่ตัวจริงมันไม่ใช่ตัวแท้ไม่มีอะไรแน่ไม่มีอะไรนอนอารมณ์ใดที่มันเป็นความทุกข์เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีความหวั่นไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมุ่งเอาสังขารูปเปกขายานคือวางเฉยในขันห้าเสียงหมดเพราะปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีขึ้นนั้นมันเป็นของธรรมดาที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงมันได้อะไรละ่ะความแก่ก็มาเกิดขึ้นแล้วรู้ว่าชาติวิทุขาความเกิดเป็นทุกข์ เชืราวิเดียวข้าความแก่เป็นทุกข์แล้วนำวิเดียวขังความตายเป็นทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะใจเรายึดแต่ว่าถ้าใจเราไม่ยึดยอมรับเท่าถือตามความเป็นจริงไม่ความจริงของมันอย่างนี้นั่นก็คือความรู้สึกที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะเรายึดถือมัน แล้วก็วางมันซะเลยขันห้าเกิดแก่เจ็บตายตายช่างมันเลิกขันก็ราร่างกายก็ราร่างกายขเขาบุงคนอื่นไม่สนใจอะไรทั้งหมดเป็นอุเบกขาวางเฉยมันจะป่วยไขย้ไม่สบายก็เฉยโอดิี่สุดถ้ามันจะพังก็เฉยคือไม่ต้องการมันอีก ด้วยเฉยโดยไม่ต้องการอีกอารมณ์ไม่ต้องการอย่างเดียวอยากใจพ้นกันห้านี้ไปขึ้นชื่อว่าสภาวะทั้งหลายที่เป็นมนุษย์คนดีเทวดาก็ดีพงศ์คนดีไม่ต้องการมีสําหรับเราอารบรรดาท่านมโยคาวจรทั้งหลายสําหรับการแนะนําในโพชฌงเจตในมาหาพุทธฐานนสูตรสําหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ต่อทีนี้ไปก็ขอทุกท่านสร้างกําลังใจทรงกำลังใจให้เป็นปกติที่เจรณาทำในพ่อโจงทั้งเจ็ดราการแต่ความจริงไม่ควรจะทําเฉพาะวันนี้วันเดียวพ่อโจงทั้งเจ็ดราการนี้ทรงอยู่ภายในกําลังใจของท่านบนาุญใดท่านบุญนั้นก็คือวา่าเป็นผู้เข้ามาถึงบลุมรรคผลได้โดยง่าย